ธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้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 เมื่อลมหายตายจากไปแล้วรับประกันได้เลยว่าไม่ตกอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตลิลฉารันอันนี้คืออบายภูมิธรรมะเนี่ยรับประกันได้ชีวิตเราเนี่ยถ้ายังไม่มีหลักประกันนะนจะประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยที่ไหนก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอนดีแล้วเพื่อความสะดกสบายแต่อย่าลืมทาประกันชีวิตกับพุทธบริษัท มั่นใจได้เอาธรรมะนี่แหละมาเป็นหลักประกันชีวิตไม่ต้องส่งเบี้ยประกันเพียงแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขห้าข้อห้าประการห้าประการนั่นก็มีว่าหนึ่งเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าท่านเนี่ยสามารถดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิง แล้วก็ตัสรูด้วยด้วยพระองค์เองเชื่อมั่นในพระเจ้าโดยไม่งอนแง่นคลอนแกลนเราเชื่อมั่นข้อนี้ไหมสอศรัทธาในาพระธรรมพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระุทธองค์ได้สั่งสอนทนตัดไว้ดีแล้วให้เราได้นําเอาไปปฏิบัติตามเชื่อมั่นในพระธรรมแบบไม่งอนแง่นคลอนแคลนไม่ต้องสงสัยเหมือนกัน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 สีดเว้นการพูดกหกมดเท็จห้างดเว้นการดื่มสุราสิ่งเสพติดมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์ห้าข้อเนี่ยสี่ห้าเนี่ยให้มีประจำจิตประจำใจเอาไว้เพื่อรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ทำได้ไหมสี่ข้อเลยนะข้อที่ห้าอันนี้สําคัญมากเป็นข้อพิเศษก็ว่าได้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 จเจริญสติในรูปแบบหลังจากที่ไหวพาสวดมนต์แล้วก็จเจริญสติในรูปแบบรูปแบบของเราเนี่ยมีอะไรอาจจะรู้ลมหายใจอาจจะเดินจงกรมหรืออาจจะยกมือสร้างจังหวะสิปีจังหวะเคลื่อนไหวกายและมีสติตามรู้อันนี้เป็นรูปแบบที่เราสามารถจะเลือกเอามาใช้ได้ตามจริตของแต่ละบุคลคลถือให้ฝึกให้มีความรู้สึกตัว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 งงกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอสุรกายแล้วโอ้เป็นความกลัวเป็นอสุรกายแลเป็นสักแต่ว่าเมื่อมีตัวรู้ก็คือเนี่ยโอ้นี่สักแต่ว่าคิดนะคิดอยากได้กลัวเนี่โอ้สักแต่ว่าบางทีมันเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทอุดอัดขัดเคืองแค้นเกิดความโกรธเกิดโทสะขึ้นในจิตในใจในปัจจุบันเนี่ยโอ้เราเห็นทันเลยวันเนี้มันเป็นนรก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 ไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้อะไรไม่ใช่ประโยชน์ทําในสิ่งที่ไร้สาระผิดศีลผิดธรรมอยู่เสม อ, สมอชอบข่าชอบรักกมโมยชอบแอบเป็นชู้กับคนอื่นเขามีกิก๊กมีกักอะไรเงี้ยนะเนี่ยอันเนี้เป็นเรื่องของความโง่หลงงมงายทั้งนั้นชอบพูดโกหกชอบดื่มสุราเป็นประจำมันเนี่ยคือภาวะของสัตว์นรกแล้วเปรตอสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอันนี้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยความโง่หลงงมงายการดื่มสุราการกินยาเสพติดยาบ้ายามาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้จิตใจเราเนี่ยโง่หลงงมงายขาดสติอันนี้ถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแหละเมื่อเรามีสติมีตัวรู้รู้เท่าทันในอาการเหล่านี้การของความโกรธ ความโลภความกลัวความหลงเนี่ยเป็นอายภูมิทั้งสี่เนี่ยถ้ารู้เท่าทันนะสักแต่ว่าแล้วไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งของนั้นนะเราก็ไม่ตกอายภูมิทั้งสี่ในโลกปัจจุบันต่อหน้าต่อ ต, อตานเนี่ยนะเห็นไ่มถ้าเราไม่ตกอายภูมิในโลกนี้นะเราตายไปเนี่ยก็รับประกันได้เลยว่าเราก็จะไม่ตกนรกไม่ลงอบายภูมิเช่นเดียวกันชีวิตเราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างอไรเนี่ยตายไปก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราอยู่อย่างมีความสุขเราตายไปก็มีความสุขถ้าชีวิตเราเนี่ยอยู่แต่มีแต่ทุกข์ร้อนอยู่ร้อนนอนทุกตายไปก็ตกอวัยภูมิอยู่ร้อนนอนทุกเช่นเดียวกันอันนี้สาคัญนะถ้าปัจจุบันเนี่ยยังตกตะลกอยู่ตายไปก็ตกตะลกอยู่อย่างไรก็ไปอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีการเจริตสติอยู่ในชีวิตเนือ ง, งเนี่ยเป็นการป้องกันอบายภูมิเลยเราป้องกันไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียม เปลี่ยนใจพวกกันไปก่อนจะเริ่มสติให้มากๆให้ตัวรู้นี่มันเด่นเห็นตัวเราเป็นรูปเป็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในรูปในนามพอเห็นแล้วจิตมันก็หลุดพ้นออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นเิก็จะมีแต่ความสะอาดความสว่างความสงบเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขทุกข์ก็จะค่อยๆจางกลายไปก็หมดทุกข์ในที่สุดเป็นการ ทำประกันชีวิตไว้กับธรรมะเนี่ยมันปลอดภยัยมันได้รับผลทันทีเลยทันตายเห็นในปัจจุบันไม่ต้องสงสัยว่าเออเราตายไปเราจะได้ไมเนาะเนี่ยไม่ต้องสงสัยเรื่องผลเลยทําปุ๊บได้ปับ๊บเป็นอาการลิโกเลยไอ้ น, นี่มีประโยชน์มากเนี่ยเงื่อนไขของพุทธบริษัทบริษัทประกันชาวพุทธเราเนี่ยคือธรรมะอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้าข้อ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 ด้วยการเจริญสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยห้าข้อท่านนะรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขตายไปก็ไม่ตกนรกไม่ตกกรบายภูมินะเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยสามารถประกันชีวิตตรงนี้ได้แน่นอนชีวิตเราต้องมีหลักประกันนะเนี่ยเราประกันชีวิตภายนอกกับบริษัทไหนก็ตามประกันไปเถอะไม่เป็นไร